นาโมตัตตาภะคะวะโตอรังหะโตสามมาสัมบุตรจจนะโมตัตตาภะคะวะโตอรังหะโตสามมาสัมบุตรจจนะโมตัตตาภะคะวะโตอรังหะโตสามมาสามบุตรจจะโมตาภะเมวะโตอรังหะโตส ปัญญาวาปนาอุตโมมนุเตะสุเจเดเวสุศิลปัญญาณโตชยันตีก็อเจริญทุกเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขณะนี้ท่านทั้งหลายต้องการให้มีฮานมงคลของชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นพิเศษทำให้เป็นกรณีพิเศษของสถานที่และก็ตัวท่านเองอะไรเรียกว่าอุดมมมงคลอันยิ่งใหญ่ของชีวิตมนุษย์เรามงกลเจก็เรียกกันเยอะเก่ฑว่าชิริมงกลมิ่งขวัญมงกลหรือวัตถุมงคลหรือธรรมมงคล แล้วก็เรียกว่าสวัสดีมงคลสวัสดีรักษาสวัสดีภาพพวกนี้นับเนื่องในมงคลทั้งสิ้นแต่มงคลสุดยอดจริงๆเป็นอุดมมหามงคลสุดยอดจริงๆก็คือการรักษาศียเพราะศียเป็นของเลิอติสุดในโลกนี้เศียเป็นของดีอันดับดึง ศีนเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปให้ท่านตั้งจิตตั้งใจกังให้ดีว่าจริงหรือไม่วัาศีลเป็นที่พึ่งของคนในเบื้องตน้นพระพุทธเจ้าจึงตรงเปรียบศีลที่บุคคลรักษาแล้วเหมือนคนมีคุณมีพ่อมีแม่สมบูรณ์ คนวีดอนมานดาออดมสมบูรณ์ในทรัพสมบัติเป็นตระกูลของมหาเศรษฐีอันยิ่งใหญ่เป็นบุคคลประพฤกดีระพบุกชอบกับชีวิตที่เกิดมากระพ่พ่อดีแม่ดีถ้าวันเราว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลของราชนิกุล หรือเป็นตระกูลที่ได้รับประทานมาจากพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นตระกูลชนิดวงณนะอยุธยาณนะพัตรลุงณนะสงกรากอะไรก็แลแ้วแต่แสดงว่าตระกูลที่กระตัดแต่งตั้งนี่ไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นคนดีของบ้านเมืองแน่นอนคนได้รับการเตกตะตกยกย่อง ให้ขึ้นเป็ น, านสาดรนศักอันยิ่งใหญ่ต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ถูกยกย่องหนึ่งต้องถีนมาก่อนก็ต้องไปสืบดูปูมหลังประวัติของชีวิตจากพ่อแม่ถึงปู่ย่าตายายเรียกว่าเป็นต้นวงขนบนรรพชนเราเองว่าเกิดมาจากสกุลใด พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้นวงเป็นคนประเภทไหนเกียนว่าต้นวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจากเจ้าวงของพระเจ้าโอกาคราชพระเจ้าโอการาชเป็นต้นวงของพระพุทธเจ้าเราที่ทานยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปมาเป็นวงของผู้ดี เป็นวันของผู้มีจัดมีศีลไม่เกยนจความเสื่อมเสียให้กับบ้านเมืองไม่เกินมีมลทินอะไรเกิดขึ้นกับสถานที่ตนเกิดเรียกว่าถืบตะกลมาดีที่เรียกว่าอุปตอโสชาตอุภะแปลว่าสองโสชาตแปลว่าเกิดดีเกิดดีกวายพ่อกวายแม่ ถ้าเรียกเป็นภาษาที่เขาแต่งไว้ว่าเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามัรญาชาติผู้ดีมีศีลธรรมคำว่ารูปสวยนี่สวยนอกสวยในหน้าตาจางผ่าเผยปิวพัน์ดี ชมรูปสงทงไม่แดงเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปไม่เตี้ยกเกินไปไม่สูงเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปคือสมบูรณ์ทางร่างกายและสมบูรณ์ทางจิตใจก่อนจิตใจสมบูรณ์ต้องประกอบอย่างนี้หนึ่งมีตถาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม เชื่อว่าเราของมีกรรมเป็นของตนเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในบอกเอกลักษณ์สั ญ, ญลักษณ์ของผู้ดีผู้ดีต้องเชื่อกรรมเมื่อเชื่อกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วเขาจึงเลือกเควนเอาแต่กรรมดีความชั่วก็ไม่ประกอบไม่ทำเราเชื่อกรรมแล้วนี่ ให้ดูตัวอย่างคนไม่เชื่อก ร, ร ม, มักจะมีเรื่องทำโจมตีถุมห้าไม่เชื่อว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงแกจึงทำความชั่วลงไปได้เมื่อทำชั่วความชั่วก่อเป็นชั่วเป็นเงาตามตัวคนชั่วจองไปที่อยู่ของกระสารที่ตอนรับไปอยู่ก็คือเรือนจาหรือคุกกรางหรือคดี ที่มีเรื่องกันทั่วไปนี่สังเกตพวกนี้ต้องไม่มีศีนแน่พวกนี้ต้องทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือกฎกดกรรมกฎธรรมะแน่นอนคนติดกุกติดตราคนมีคดีนี่เวลาก็จับมาได้จับผิดไม่ได้แต่ต้องให้แน่เนี่ยว่าผิดจริงๆไปสือหา พฤติกรรมการกระทำของคนนี้เห็นว่าเป็นคนต้องโทษก็ต้องตามตัวมีหมายจับแล้วก็ต้องไปจับคนจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีกฎหมายอยู่ในมือมีกฎธรรมะอยู่ในมือทึนทุนต่อสู้ ก, ก็สู้ไม่ได้นะไม่มีที่ไหนความชั่วจะชนะความดี ไม่มีที่ไหนคนชั่วจะจชนะคนดีโลกนี้ก่อสร้างมาให้คนดีชนะคนชั่วให้คนดีเป็นหัวหน้าหัวตาคนให้คนดีเป็นผู้นำถ้าเอาโจรเอาคนใจร้ายมานาบ้านนำเมืองมันจะย่อยยับอับอับประลักกันไปหมดเลยจะ้นจนเต็มบ้านเต็มเมืองคนทํความผิดพลากันเยอะ เพราะฉะนั้นต้องคัดเลือกเอาหัวหน้าที่ดีที่มีความรู้มีคุณสมบัติขึ้นมาเป็นหัวหน้ามาเป็นประธานดังที่พระองค์ตรัสว่าอาทิติที่ลังปฏิชาจะกัลยาณานั่นจะมาทุ ก, กังแปลว่าศีนเป็นที่พึ่งเบื้องต้นถีนมีหลายประเภทถี่นหน้าถี่นแปด เศียกุศลกรรมบดแล้วก็ศียของพระแล้วก็ศียของอุบาศอกอุบาติกาศียของคนดีที่เขานิยมรักษากันอย่างหนักแน่นไม่แช่รักษาอย่างหลวมๆเมื่อมีเศียอยู่ในตัวเองศีย น, นั้นก็กลายเป็นที่พึ่งที่พึ่งกระไรได้พึ่งบานได้พึ่ง ความดีของตัวเองและคนอื่นก็ต้องพึ่งคนมีศีลมีธรรมเช่นพระพุทธเจ้าอั น, นดับนด่งของโลกคนก็ได้พึ่งพระองค์ท่านทางคำสอนจอทานแปลพฤกษดีท่านไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ น, นิดเดียวจึงให้เรียกว่ากับบรรยสยานเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดมีแต่ความดีล้นพ้นมีความดีเหลือที่จักรนานับได้ ถ้าจะปรนนาความดีของพระพุทธเจา้านี่พูดตังด้งแต่เช้ายันคำ่ำพูดเป็นหนึ่งปีสอ ง, ป, ง, ง ป, อปีหนึ่งชาติหนึ่งปปหนึ่งกลับหนึ่งกันไม่เที่ยนความดีเพราะทำมามากทำมามากเมื่อสมัยเป็นพระพุทธสัจเวียนไหวาตายเกิดก็ทำความดีมาเรื่อยๆทำความดีกับตนและกับคนทั่วไปพอมาเป็นพระพุทธเจ้า ความดีเต็มเปี่ยมหรือบารมีสิบบริบูรณ์จึงได้กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกความสำคัญของคนบางคนก็ตายไปก็หมดชื่อเสียงแต่ความสำคัญพระพุทธเจ้าถึงข้าศึกมหาปรินิพานแล้วความดียังคงเดิมเดี๋ยวนี้ความดีพระพุทธเจ้ายังคงเดิมเท่ากับที่พระองค์มีเมื่อยังตรงประชนอยู่ แต่ถ้าความดีอย่างอื่นรวยนักมียมาศธรรมบันดาลนักก็หมดกันทิ้งทีในชาติหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ความดีที่มีศีลมีธรรมนี่ดีเป็นอมะตะ เ, มเป็นอมริตร ธ, รรธรรมเป็นตําแหน่งความไม่ตายจึงแดงให้เห็นว่าคนมีศีลเหมือนกับคนมีพ่อมีแม่คนไม่มีศีลไร้ศีลมันคนที่อนาถา ไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้อุปสมมคำชูไม่มีผู้ดูแลคนไม่มีพ่อแม่ไม่มีคนอุปสมมคำชูกลายเป็นคนอนาถาขาดที่พึ่งคนการที่พึ่งการศึกษาก็ไม่ได้รับการศึกษาจะอบรมขัดเราให้เป็นคนดีก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับใครไม่มีใครต้องการกลายเป็นคนอนาถาจะเร่จะร่อนจะจอนไปจอนมา ที่อยู่กันเยอะแยะนี่คือรายการศึกษารายการศึกษาก็ทําไปตามประสาคนไม่รู้เรื่องพอผิดพลาดพอผิดพลาดก็ต้องเข้าตารางกระเท่านั้นให้เราไปสืบในคุกในตารางท่านทางหลายว่าเคยมีศีลมีธรรมอาจจะมีจะทําผิดพลาดได้ผิดพลาดไม่มีอะไรตรงให้ผิดที่ศีลแน่นอนผิดเรื่องการเงินผิดเรื่องผู้หญิงผู้ชาย ปิดเรื่องการโกงการโอเปรียบปิดเรื่องมีมีไหมายดำอยู่เรื่อยไปจึงต้องอยู่คุกอุตรางคนอยู่คุกอยู่ตารางนั้นมีวันรุดเกิดลุดจากคดีที่หนักหรือเบาแต่คนมีกรรมนี่กรรมมันไม่ลุดเช่นว่าเกิดคุกกิดตารางประมาณสามสิบปี บางคนก็ตายในตารางบางคนก็หลุดมาแต่กรรมไม่หลุดจานควัมกรดีเดตรางเท่าไรกรรมยังไม่หลุดกรรมยังต้องให้ผลต่อไปมันหลุดจากคดีเท่านั้นแหละแต่บางคนนึกว่าได้เข้าตรางแล้วมันหมดเวรเหมเือนตามไม่หมดกรรมยังต้องตามล่าตามราวีตามกรรมจัดตัวเองร่ำไปทั้งวันนี้วันหน้าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้า คดีทางกฎหมายหลุดได้โจษสารทุกทดแต่กรรมที่ทําชั่วไม่หลุดต่อเมื่อความชั่วให้ผลถึงที่สุดแล้วก็หลุดกันไปเลยคือพวกนี้ทําผิดในเมืองมนุษย์พอตายไปก็ต้องมาอยู่ในเมืองเกอเมืองนรกอีกเพราะพวกเนือเมืองนรกไปด้วยแรงกรรมที่ทําความชั่วร้ายไว้เพราะนั้นคนมีศีล น, นี่ชีวิตปัจจุบันก็ดี ลมหายตายจากไปแล้วก็ดีลมหายตายจากมันตายแต่รัางขานใจไม่ตายแต่มันมีความเคลื่อนไหวอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดอีกคนมีดีในชาตินี้ตายไปก็มาเกิดดีต้องเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติเกิดในสิ่งที่เวดล้อมดี เรียกว่าข้าวในหลักว่าเกิบมารูปร่างดีทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็จับสมบัติก็ต้องอุดมสมบูรณ์ความรู้ก็ต้องมีต้องเรียนต้องศึกษาแน่นอนคนขาดความรู้การศึกษาในโลกมนุษย์นี้เห็นทีจะต้องลําบากกันไปนานความรู้เป็นแสงสว่างของชีวิตที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้ฉะนั้นเรื่องศีลพระเจ้าจึงย้ําหนักตะเกือนว่า เศนเป็นของหนาแน่นเศนเปรียบเหมือนแผ่นดินแผ่นดินก็เรียกว่าแม่ธรณีน้ำก็เรียกว่าแม่นทีแม่ธรณีนี้มันใหญ่กว้างเป็นจั ก, กรวาลเป็นโลกธาตุที่สัตว์มนุษย์อาศัยอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ดวงจันนี้โลกมนุษย์อาศัยอยู่โลกสัตว์อาศัยอยู่ โลกมนุษย์ทั้งหลายต้องมีกินมีอยู่ต้องมีสามีภรรยาต้องมีความเป็นอยู่ในกลุ่มสังคมของเขาเป็นจุดเป็นสถานที่อย่างที่นี่กลุ่มหนึ่งของบุคคลที่มาทำมานากันอยู่คนไหนทมานดีบกครองทางศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนทำมาดีมีศีลธรรมขยันรักษาหน้าที่ตัวก็ต้องเลื่อนเป็นเงินเป็นทองถงขึ้น กันมาเป็นประธานมาเป็นผู้นำของสถานที่ผู้นำก็เรียกประธานประธานใหญ่ทีนี้ผู้นำแผ่นดินก็เรียกว่าประมุขประธานไม่ใช่ว่าคนร้ายการศึกษาต้องมีคุณสมบัติต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดเหนือจากคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นคนเป็นกษัตริย์เป็นประมุขกองแหวนแขวนต้องเกิดในตระกูลสูง เรียกว่าชาติวติวัตโตเป็นชาติสงชาติสงก็เืิดมาจากตะโกลวงของพระองค์อย่างมาตะโกลใดก็เืิดกันมาเรื่อยๆถึงโลกเหลนหลานถึงนัต ด, ดาปนัต ด, ดาแล้วก็อายากีอายกากาไปเจ้าปู่ไปเจ้าย่าก็ต้องเืิดกันมาเรื่อยๆคนเกิดใ น, รนตระโกนสงฆ์แสดงว่าไารทําของความความดีมามากในชาติก่อนคนเกิดใ น, รนตระกูลต่ําชาติถอย หรือว่าตกต่ำนี้ก่อนแสดแดงว่าเกยดจาความเสียหายไว้มากเถกกรรมจึงบรรดาได้เกิดในตระกูลต่มามยากจนค้นแขนมีสารพัดอย่างโปรร้ายศีล น, นั่นเองคน ร, รักษาศีลเกิดในตระกูลสูงคนรักษาศีนเกิดในตระ ก, ก, กูลผู้ดีเขาเรียก ว, ว่าผู้ดีมีศีลรมศีนจึงเป็นเรื่องใหญ่ท่านทั้งหลาย ที่พระพุทธเจ้ารงเปรียบด้วยแผ่นดินแผ่นดินนี้ตั้งแต่พื้นพระทูตธาตุนที่เรานั่งอยู่ถึงอาคารใหญ่หลังนี้ก็ตั้งอยู่แผ่นดินตั้งอาคารต้องตั้งเขื่อนตั้งลงเข็มให้ลึกก็แรนเกลียดฐานของน้ําหนักมันจะท่วงลงไปเท่าไหร่ต้องตั้งอยู่บนดินตอกเข็ม ทำเขื่อนต้องไมแข็งแรงก็ตั้งบนบนดินภูเขาก็ตั้งอยู่บนดินท่าเลก็ตั้งอยู่บนดินไม่ว่าที่ตรงไหนในจักรวาลนี้ตั้งอยู่บนดินทั้งนั้นดินรองรับตั้มฐานน้ำหนักของคนสร้างสิ่งต่างๆได้ตึก 100, 000, 000ร้อยชั้นพันชั้นสร้างเลยก็ลงบนดินไม่จะสร้างกลางอากาศได้แต่เครื่องบินที่บินไปก็เป็นอยู่เป็นดินอยู่ในตัวเมือ มันจะบินอยู่ได้นานมันต้องลงติดพื้นดินไม่ว่าอะไรที่ไหนแหละดินเป็นที่รองรับของการเป็นอยู่ของโลกมนุษย์ถึงนกมันบกบินป๋อผินไปในอากาศมันก็ต้องเกาะต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องอยู่บนดินไม่ใช่มันแขวนตัวอยู่ปลางอากาศได้ไม่ใช่อยู่ในก้อนเมฆได้ไมันจะลอยไปลอยมาจะไม่มีที่เกาะไม่มีที่อยู่อาศัยมันต้องมีอยู่อยู่กับดินทั้งนั้น ดินจึงมีค่ามหาศาลของโลกมนุษย์เราฉชนใดศียรที่บุคคล ร, รักษาแล้วมีค่ามหาศาลเท่ากับมีแผ่นดินที่รองรับตัวเองอยู่แผ่นดินจากปัทุธาปัพีนี้มาเป็นธรณีดนนี้ลึกลงไปถึงเมืองบาดาลที่เมืองบาดาลมีเจ้าพญา น, นาคเป็นผู้อาศัยอยู่เรือเมืองบาดาล พ ญ, ญานาคตัวประธานก็คือปียาผู้ชงในกไก่ผู้ชายถ้าผู้หญิงเปิ๊กประนางบิมมาลาเป็นพระมเหสีของพียาผู้ชงก็ก็ต้องมีแผ่นดินมีผู้ปกครองเป็นหัวหน้าอีกขัดทั้งหลายมันต้องมีหัวหน้านกมีหัวหน้านกแม้แต่จัดสีเท้าอยู่ดงอุปามันก็มีหัวหน้าช้างหัวหน้าราชสี หัวหน้าสุนัขจิ้งจอกหัวหน้าทั้งนั้นหัวหน้าอยู่ที่ไหนก็ควบคุมดูแลลูกน้องของตนข้อเปรียบเทียบนี้ใครจะเป็นหัวหน้าใครได้คนนั้นต้องมีศีลแล้วก็คนมีศีลมาบริหารบ้านเมืองบ้านเมืองจะเยือกเย็นจะสงบจะสุขสบายพระเจ้าเป็นดินที่ทรงศีลทรงธรรมนี้ปกครองบ้านเมือง บ้านเมืองจะดมชมบูนด้วยครับด้วยอุดมชมบูนด้วยความสุขร่มเย็นด้วยเพราะท่านเป็นประมุกเป็นผู้นําที่ดีศีนจึงเป็นผู้เป็นที่พึ่งเรียกว่าอาที่ที่ลังปฏิท่าจะแปลว่าศีนเป็นที่พึ่งบ้างต้นศีนมาเหมือนมาดาเกะลียา น, านานั่นจะมาทุกังศีนเหมือนมีพ่อมีแม่ ประมุขข้างสถา ร, ร, รมมาังเศนเหมือนเป็นประมุขของแผ่นดินและเป็นประธานของผู้คนศีนเป็นผู้นำที่เราสมาทานเศนนโมมาด้วยพุโทโธสโ ม, มสังโฆที่สมาทานแล้วก็ให้รักษาศีนนี่เราอาจจะไม่ลึกถึืองว่าลึกแค่ไหนดีแค่ไหนแต่เราทําไปแล้วแต่ถ้ารู้ความลึกเึืงของเศนด้วยทําไปด้วยมันจะหนักหน่วงลงไปอีกในเรื่องความดี จากนั้นเรามาศึกษาเรื่องศีลกันเถิดทาจารทั้งหลายศีลก็คือตัวคนนี่แหละมื่อจีนหน้าตามาจากศีลรูปร่างหน้าตาดีมาจากศีลดีชาศีลไม่ดีรูปร่างอัปลักษ์รวบชั่วตัวดําพิกลพิการตาตาบอดหูหนวกปัมป๊มปั๊มเปอรเปอร ป, ปัญญาอ่อนปัญญานิ่มก็มีกันเยอะเพราะเสียศีลชาศีลสมบูรณ์มันแต่ง แต่งร่างกายให้สมบูรณ์ด้วยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ามือตีนเรียบร้อยหน้าตาดีผิวพรรณดีแล้วก็นิสัยดีเที่ยด้วยพระกอมีถินต้องมีนิสัยดีประกอบอยู่แกจะรู้ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยนี่ราพูดตามหลักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถินยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ถินใครมีเหมือนแกนมีแผ่นดินที่หนานแน่น ดินรองรับความปิดพลาดได้ว่าใครด่าใครว่าคนมีดีนไม่โตตอบเหมือนแผ่นดินถึงน้ําหนักทิ้งลงไปมันก็ด้านทานไว้ได้แผ่นดินก่อโทษใครถมน้ํานายกระจัดกระจัดของสกปรกลงไปแผ่นดินก็รับได้แผ่นดินจึงมีคุณค่ากับโลกมนุษย์มากมายบานใดดินที่บุคคลทําแล้วรักษาแล้วจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของตัเอง ตลอดชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศีลนี่มีกำลังยิ่งใหญ่ที่ท่านยกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งว่าบุรุษคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านแกก็เที่ยวทาสิ่งต่างๆในในบ้านในเรือนคนนี่กวาดขยะบ้างทถาถนนบ้างทําสถานที่บ้างแล้วก็เพื่อนหมู่บ้านด้วยกันว่า แกทำอย่างนี้ในี่บ้านที่บ้านแกไม่มีงานทำเอาอเราทำมาแล้วแต่นี้เราทำเพื่อประชาชนแล้วก็มารวมกันสามสิบสามคนเป็นผู้ชายจังนั้นไอ้ตรงไหนเป็นป่าจะตัดปลายเป็นถนนเป็นถนนให้เป็นวกวนไปมาเรียกว่าสองแปร่งสามแพร่งก็ทำก้นก็เดินสะดวกพอทำสะดวกเข้าเจ้าหน้าที่นี่เป็นหน้าที่ปกครอง เข ก, ก็ว่าพวกนี้มันทําเกินหน้าเราจะควงร้องว่าผิดกฎหมายก็ไม่มีแต่ว่าความที่แกทนไม่ได้แกก็ไปว้องร้องพระราชาว่าพวกสามสิบสามคนนี่มันก่อเรื่องร้ายทำทางให้โจรเดินพระโจรจะมีทางรถต่างเรือดีมันก็คร่าคลองดฉะนั้นพระราชาก็ทรงเชื่อจึงเรียกตัวไปว่าตัวทําทางให้โจรเดินเนี่ยให้เขาสะดวกในการ ไปทําโจรกรรมพวกนี้ว่าไม่มีเนี่ยทำด้วยความวังดีแต่ผู้ใหญ่คำนั้นเนี่ต้องดิ่นกบข้องร้องว่าพวกนี้แหละที่เกิดโจร้นได้กําเริเบเกลียดกลันก็ปรทางมันดีแต่จากก็ส่งประสั่งปรารชีวิตกลางปรารชีวิตก็ไอ้โนนคว่ำลงไปแล้วไอ้ช้างมาเหยียบไอ้ายหมดเลยทีนี้หัวหน้ากะบอกกับลูกน้องว่านี่เราทําดีแต่ยังถูกประารชีวิตนะอย่าเสียใจ มันเป็นกรรมเก่าเราต้องยอมไอ้กรรมชั่วนะก็ลงโทษไปว่าแหละแต่นี่เราทําดีทําประโยชน์ได้กับสังคมแต่เขาคิดสินเป็นอย่างอื่นเราต้องตายด้วยศีลก็นอนกนําหนดว่าถ้าเขาเหยียบตายเราก็ไม่โกรธเพราะคนมีศีล น, นี่ใครมาด่ามาว่ามาทุกทีโกรธก็เสียสินทีกล่ า, าก็ด่าก็ไม่ด่าได้ด่าไม่ได้เขา เขาทาอะไรก็โตโต้อ ต, อ, ตอไม่ได้ยอมทนได้เพราะการคนมีเหรียญทายังไงก็โกรธไม่ได้คนมาทำร้ายก็ให้พรก็ด้วยว่าใครบีดเบียนราขอยคนนั้นอยู่เป็นสุกข ป, ประโกรธอาฆาตมาดร้ายพยาบาดนี่ไม่ได้และคําสั่งของพระราชาก็ด้วยเอาช้างตัวใหญ่หายาวนายกวนช้างก็ตบมือชี้ว่า น, นี่นี่ให้ไปเยียบพอช้างข้าวไปมันไม่กล้าเข้า มันยืนแล้วก็หมอบนอนนอนหมอบลงไปนายกวนจ้าง ก, ก็ขอสับแทงลงไปเลยให้ตังมันไม่ไปทำยังไงก็ไม่เข้าบอไม่เข้าก็เอาตัวอื่นมาตัวอื่นก็เหมือนกันแหละไม่เข้าไม่เหยียบพระอาจารบอกเออพวกนี้ต้องมีของถังต้องสักนะมึงหรือมีวัตถุมงคลในตัวมึงให้ไปนค้นดูสิ จากต่างแต่ก็ฉากกันเดี๋ยวนี้ในเติมเนื้อเต็มตัวนี่ก็สักทำไมมันอยู่ยงคงกับมันเลยก็ไม่มีเลยประเครื่องกับพวกท่ขอก็ไม่มีเลยพระอาชาก็รับสั่งถามว่าพวกท่านมีดีอะไรทําไมช้างไม่เหยียบพวกท่านข้าพเจ้าจถ้ามีดีมีอย่างเดียวคือมีศีลเราทั้งหมดนี่มีถี่หน้าเราทั้งหมดนี่เป็นนักเสียสละ นี่พระพุทธเจ้าตรัสนะทีนี่มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าของแขังที่สุดในโลกนี้นี่อภิเหศเอ่นยิ่งใหญ่นี่เป็นมหัศจรรย์ไปว่าเป็นมีอิทธิฤทธิ์อันเกรียงไกร ย, ยิ่งกว่าใดในโลกนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าเถียนแขังที่สุดเถียนมีปฏิหารเด่นยิ่งใหญ่ อย่างที่พวกท่านในช้างไปเหยียบคนเหล่านั้นในพวกนั้นก็มีศีลทำไม่ได้เลยคือช้างมันก็รู้ว่าคนนี้มีศีลมันไม่เหยียบเรื่องนี้จึงมีมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นท่านจึงมาตรัสสอนอุบาจกบาตริกาภิกษุสมเณรว่าท่านทั้งหลายมาบวชต้องถือศีลเป็นข้อแรกอบาจกบาตริกาก็ต้องมีศีลเจ้านาใหญ่ๆก็ต้องมีศีล พระสงฆ์องค์เจ้าถึงจะดียังไงทำผิดตาดเถียถินนิดเดียวบางสิก็ต้องหลุดไปเลยผ้าผ้าเหลืองผันกายผ้ากาสะวัพัฒก็กระเด็นได้แน่นอนไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าเละความดีที่ไหนยศไม่สามารถจะช่วยคนได้ถีนแต่ช่วยคนได้คุณจะยิ่งใหญ่เหมือนกันจกักรพรรดิอันนับเดึองตาผิดถินคณก็ต้องผิดคนยากจนกอนแกนถ้าคนมีถินก็ต้องถูก คนมีเสีนงึงจนก็ต้องไปถวันคนมียศถามบรรดักดิยิ่งใหญ่ถ้าผิดก็ต้องไปนรกเพราะนรกเขาจำกัดว่าเอาคนชั่วอย่างเดียวเมื่อคนหน้าไหนได้ฉะนั้นเรื่องศีนเป็นเรื่องใหญ่เอาต่อมายังมีเรื่องหนึ่งคนนั้นนั้นเป็นนายพรานป่าก็พรานป่าก็ยูบอกบงบงชบงชัดอยู่แล้วว่าต้องฆ่าฆ่าไอ้กเกง ฆ่าเนื้อทรายก็ก้าปา่าก็ต้องยิงจะไม่ยิงก็ต้องแทงแกก็เตรียมอาวุธยุทธบัณฑเพื่อประสานชีวิตจัดเต็มตัวเลยว่ะถ้ามันไกลเกินไปก็ทุ่งโดยหอกแต่อยู่ใกล้ก็ทิ้มแทงด้วยดึงเง้าด้วยอะไรก็อะไรเป็นต้นก็ได้วันละตัวสองตัวกลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพอมาวันนี้แกว่าต้องไปแต่เช้าหน่อยเพราะว่าขนมันตก แล้วก็บางทีถ้าฝนตกหนักก็หาถัดไม่ได้มันหลบเข้าที่อื่นเสียวันนี้ฝนไม่ตกเดินไปแต่รอยเท้าถัดไม่มีเลยมันแปลกเราพอออกจากบ้านเข้าปาเห็นรอยถัดมันมันมาเคี่ยมากินอะไรนี่แต่วันนี้ไม่มีนี่มันพบข้าเลยนะไปพบพระนั่งจเจริญภาวนาพระทุดงนั่งอยู่ใต้ต้นไทร แล้วก็มีกฎอยู่ข้างบนก็พระคุณเจ้าท่านเป็นคนไล่สัตว์หมดเอไม่มาที่นี่บอกเอ้ว oh, ยอมอย่าพูดอย่างนั้นดีอาตมาไม่ได้ล่เรนั่งไล่กิเลสตอนนั้นเองแหละจัตว์อาตมาก็เห็นมันไม่ชอบมาไล่เก่าเห็นมันผ่านหน้าผ่านตาไปบอ่อยเถอะถึงอะไรนี่อาตมานั่งไล่ไอ้กิเลสราคาโทสะโมหานี่นั่งภาวนาอยู่ที่นี่นายคนนี้ว่า ถ้าจะนั่งนานเท่าไรอัตามาไม่กำหนดเราเป็นเหมือนอากาศอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เหมือนลมอยู่ไหนก็อยู่ได้วันนี้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้ก็ไปอยู่ที่โ น, น้นก็เที่ยวทุดงทุดงในป่านี่ไม่ได้อยู่จากัดที่นี่แระว่าโยมมาแล้วก็ดีอ่ะมานั่งคุยอัตามาน่อยี้ยนายคนนี้ไม่เคยเห็นพระและไม่เคยไหว้พระตั้งแต่เกิดมาเป็นคนบาปนี่ก็เลยเอาอาวุธ แอบไว้ข้างหลังแล้วก็ข้าวไปเอา้ายอมไหวพระไม่เป็นเนอะยอมยกมื อ, อดิกราบหนอเนี่ก้มหัวทั้งทีคือพระแก่พูดดีๆเนะี่ยไม่หยอยดูถูกดูมีนะ่งเนอะยอมยกมือไหวอ่ะมาทูลหัวมาแ ล, ล้วก้มกราบสามทีย่อมคนเกิดเป็นคนนี่ต้องนึกถึงหัวใจสัตว์หัวใจคนว่าคนเรารักอะไรที่ถุดยอมรู้ไหม ถ้าใครต่อว่าฉันรักแม่รักพ่อรักผัวรักเมียรักลูกรักทรัพสมบัติป้ระธิดาว่าไม่ถูกนะคนเราเนี่รักตัวเองที่ถุดรักตัวไม่จะเห็นแก่ตัวคือเขารักความสุขไม่ไม่อยากถึงความทุกข์ยอมฆ่าตัดตัดชีวิตในยมมันบาปมันเป็นผลร้ายกับตัวเองอายุสั้นพลันตาย แกว่าถ้าผมไม่ฆ่าอลไรจะ อ, อะไรกินอันนั่นแหละถึงไม่ฆ่าก็ยังมีกินมีอยู่ยมรักษาทีหนะ้าสิยมว่ามายังปัญเทได้ไหมก่อีินพระา่าจะลกาไม่ได้อาจมาจะนําให้ก็ได้อยู่ถวงต่อสองอาจะมาหวังดีน่ะนุเคราะห์ด้วยนะ ใ, นใจอานาะไม่ยอมได้ดูลได้กุศลเท่าว่างพระในธนะคนเห็นกันจะพอน้านี้จะนั่งนิ่งอยู่ได้ยังไงล่ะเป็นพระกระสองสอนคน ยมตัง้งใจควังคดีอแาตา่ไม่หวังร้ายหวังให้ยมเป็นคนดีทีนี้นายปราเนเมื่อพระแกชวนพูดคุยดีก็อยากจะควังเ อ, อเ๋อยอมว่าเี้นที่ว่าตามนี่ปาหน้าอะทินหน้ากาไม่ก็ว่าไปพอรับสิทรับไา้ลเส้นสิทวันนี้ผมต้องอดอดอยากปากแย้งไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วนี่อาชีพผมไม่ได้ทำเนี่ยลูกเมียจะยุ่งกันใหญ่ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นโยมเชื่อเถอะ ยอมรู้จักสายศีนไหมศีเลนะจุกกระจิงยันตีเนี่ยรักษาศีลไปถูกความดีศีเลนโพกับสมุทรักษาที่จะเกิดทรัพย์สมบัติขึ้นอลังการทีเดียวจะร่ําจะรวยจะได้เป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็คนมีศีนสายศีนนี้่สองศีนคือในปุตติงคือดับร้อนมีความเย็นกายเย็นใจไม่วิปัิสานวิปฏิสานคือเดือดร้อนวุ่นวาย ยอมกอดูนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปยอมจะไปไหนก็ไปดีไม่ไปเพื่อข่ายอมจะอยู่กับทรัพย์มบัติเอาดมสมบูรณ์ขึ้นเดี๋ยว่าพวกกระตับมากมายพวกกษัตริย์อุปโภคบริโภคป้านุ่งปางห่มเงินทองของจายรถเรือจะเอาดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็แล้วก็กรรมก็ไม่ต้องมาทําร้ายเราเราไม่ทํำร้ายคนอื่นกรรมกรรมชั่วเราไม่ผี ไม่ต้องข้าคุกไม่ต้องหน้ากุฏรางไม่ต้องมีความผิดกฎหมายบ้านเมืองยมมคอยดูนะเวลาีถใด้ผลขึ้นมานะยอมจะรวยไม่ทันรู้ตัวนะแล้วแกก็ถามว่ามันจะรวยด้วยอะไรล่ะคนรวยมันต้องค้าขายรักรวยต้องหน้ารักค้าต้องเรียนเอ อ, เ อ, อรักร่ำรวยก็ต้องค้ารักหน้าก็ต้องเรียนต้องศึกษาผมก็ไม่ได้เรียนแล้วก็อะไรก็ไม่อุดมสมบูรณ์แปลว่าเอาแต่หน้า มันมีเคล็ดลับชื่ออันดามาครับอันดามาไม่หลอกหรอกที่จริงท่านเป็นพระอาจารห์นะเพระอาจารห์ผู้เทศนจงนิดไม่ได้จะหลอกไม่ได้นายคนนี้เออถ้าอย่างนั้นก็จะรักษาลองไปดูดูก็กลับบ้านพอกลับมาจังห้านเมีก็ถามว่าพี่ไม่เห็นเมื่อเนื้อสัติมือมาล่ะเออวันนี้จะขอโทษนะฉันเดินไปไปบพบพระในป่ า, ปากแกผู้ดี น, ะน่ากวังเนี่ยพี่ไปขอศีลมาแล้วเอา้า ไปกอ็อสนเราก็ตายกันทั้งบ้านที่จะกินอะไรนะพี่จังเอาเสินไปคืนพระเจ้าทีว่าจะคืนได้จะบอกกลับมาพอพระก็ยังนั่งอยู่อีกว่าท่านครับพอมปถึงเมียผมเมียก็น้อยใจว่าไม่คาดจัดก็ไม่มีอะไรกินผมจะเอาสินมาคืนให้ท่านพระก็ว่าของมันคืนไม่ได้โยมแต่ยืมของของมัคืนได้ยืมเงินคืนได้ แต่ว่าคืนศีนไม่ได้เป็นอานขาดนอกจากว่ารักษาสีให้ดีขึ้นเท่านั้นเองแหละรักษาสีเพิ่มสีในเข็มแข็งขึ้นเรียกว่าสีละบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตตบารมีสีนขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงอาทิตสีนสีนยอดยี่งพอไปเนื่องก็ว่าไม่อหยมาขึ้นพอมาถึงพระก็อยากจะรักษาสีนต่อคือว่าวกวักวนวนแต่ยังไงก็ต้องกลับ พอกลับไปแกเดินไปเนี่แกเรียกว่าหลงทางก็ได้คือแกคิดว่าถึงบ้านวันนี้เมียต้องพูดเตี้กว่าโทษอะเมียต้องด่าแน่ว่าอะไรไปหาไปกินเนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมยไม่มีอะไรมาอย่างนี้แกเดินก็ไปที่อีกหนึ่งไปเห็นหูเหลือมหูเหลือมตัวยาวยมมันตัวใหญ่แต่วันนี้ทําไมมาผมจังอะมันนอนขนอดอยู่ตัวกลมเดียพอข้าไปใกล้มันก็ มันก็แผ่พังพันทู่ทู้ทู้ไอ้คนนี้วะเออหูเหลือมมันจะกระโดดไม่ได้แหละมันมันผมไม่สามารถจะตวัดอ่าแผ่พังพานมาฉอกเราได้เลยนึกว่าหูนี่น่าจะมีอะไรอยู่วตรงนี้จึงว่าทําไมเจ้ามาอยู่ที่ตรงนี้ล่ะหูมันพูดได้มันบอกว่าตรงนี้แหละกลุมทรัพย์ของเราเมื่อเราก่อนเราเป็นเทพถีเราขวางทรัพย์ไปเยอะที่ตรงนี้ พอ <alia> <Lets> <tit ates> ตายแล้วเราก็เป็นปู่โฉมกาอยู่ตรงนี้แหละเรารักทรัพเราเป็นโอ่งอ่างกระถางกระทะเต็มหมดเลยเจ้าว่าว่าบรรดาวัปปีมานีแดงเกีวใสแสงบรกฏเหลืองใสสดบุตรสารกรรมแดงไก่กรรมโกมลเอกสีเมฆหมกมัวแดงสัลวเพรายจังหวันสายเปทตุอยู่ในนี้หมดแหละนวราชทั้งหมดเอื้นทองข้าของของดีจะมย์ต้องใจเนี่ยต้องการเนี่ยทีนี้กคนนี้บอกว่า ท่านรักครับยิ่งกว่าชีวิตมากว่าวทรัพย์อยู่ได้ไม่อยากจะไปที่อื่นกลัวคนจะกดเอาถ้าไปเ ช, เชื่อเชนะื่อข้าพเจ้าเนี่ยครับนั้นท่านมอบให้เราเถิดทีไอ้วัวมันอยากจะให้คนอยู่เละแต่ไม่มีคนไปพรอแต่นานี้บังเอิญแกรักษาศีลมาใหม่ใหม่ห่วเราดีใจเห็นเจ้าผู้ ด, ดีเนะี่ยเราจะมอบให้แต่เราให้ไปแล้วนะ เอาไปแจกผู้คนและวทำบุญให้เราบ้างเราตายก็ได้เดี๋ยวนี้เราหมดกังวลแล้วเราไม่ต้องหวงทรัพย์ตรงนี้แหละคนเราหวงทรัพย์ไปเกิดไปตายที่อื่นไม่ได้ต้องมาอยู่กับทรัพย์เรียกว่าไม่พัาไปเป็นอื่ น, นคคกลางกลางก็เก่งจอบจึ่งเลอยู่ตรงนี้และกวามทรัพย์จึงให้เรียกว่าปูโสมเชื่อไม่เชื่อผู้เจ้าจัดว่ามีจริงๆเพราะจิตมันกังวลตรงไหนต้องมันต้องคล้องอยู่ตรงนั่น มันนอกเหนือมันจะเปนยังไงมันตกังวลที่รังมันกับรังเองมห้ยรังรังรักของคนคือความรักทรัพนี่พอต า, ายไปวิญญาณกังวลกับรักก็มานอนคว้าอยู่ตรงนั้นแหละมาเป็นตรัสหลายประเภทได้ว่าปูโฉมวันนี้มันก็มอบพระให้ขอไปแล้วแล้วว่าคนนี้ก็พอรับทรับสมบัติของอูเหลืองก็กลับหมหาพระว่าท่านครับที่ท่านพูดเมื่อกี้สดชดนี่นะว่าคนรักษาศีจะได้สีละ กาพอกัดสัมปทาเนี่ยผมได้แล้วได้อะไรอะ่ะผมเดินไปเพราะปูเหลือมมันมอบทรัพในกลุ่มทรัพของมันมันว่าไปแล้วตามพยาธก ร, รรมผมได้ทรัพนกระทําบุญอุทิศไปให้อย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องจริงโยมไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิยายดอกคือบางอย่างความดีมันทําพับได้ทันทีนี่บุญของแกเป็นนายพรานป่าคนใจบาปดิแต่กลับเป็นคนดีเพราะมีศีล พอเสียให้ผลปัจจุบันทันด่วนนี่ไม่ต้องไปถื้อโรดเตอ ร, อตรีนะ่แล้วไม่ต้องแย่งกะลกอกได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่ต้องขโมยของใครพอกลับไปบ้านแกก็ถือไปบางส่วนเมียว่าอะไรจะ ม, มือมาโอนี่นี่สายท่อจะเห็นไหมอ่ะนี่ทองแทนชมพนะูนิดนะนี่ตุ้งหูนะนี่กําไรมือนะไอ้นี่บักปิ่นี่้อจัดกัดผมเนะี่ก็ใช้ทองคําแล้วพี่ออกมาจากไหนไปปล้นใครมาบอกไม่ปล้นหรอก ไปรักษาศีลกับพระแล้วก็กลับมาได้กลุมทรับต์เป็นหูเหลืองข้าเป็นเจ้าของให้เรามาเธอไปบอกเพื่อนบ้านดิให้ตามหลังเราไปนะว่าใครต้องการเอาอะไรยิบเอาได้เลยอ่ามีภาชนะจิตตัวมากเอาไปเลยเราใจกว้างวันนี้เพราะเรามีของเยอะแล้วเราว่ากินว่าใช้พอสมควรเสร็จแล้วนายคนนี้รักษาศีลจนตลอดชีวิตแล้วทั้งเมียทั้งลูก รักษาสิลก็ไปสวรรค์คาลายกันหมดเลยแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นคนดีต่อไปพระองค์นี้เป็นพระที่โปรดคนคอยคว่าว่าใครหลงมาในป่านี้เราจะต้องสอนให้เป็นคนดีเราไม่ต้องไปหาคนไปออกโทรทัศน์หรอกไม่ต้องไปไยนิมนต์หรอกเราอยู่ตรงนี้แหละคนดีต้องมาแน่อาทิษฐานว่าคนดีมีที่ไหนจงมาที่นี่ แรงฤทธิ์ของพระอรันต์จึงนายคนนี้เป็นคนชั่ววันที่แกจะได้บุญกุศลก็บันดาลไปพบคนดีเมื่อพ บ, บอคนดีคนดีก็ให้กลมทรัพย์คือกคำสอนชี้กลมทรัพย์ให้คำสอนคือบุญกุศล น, นี่เป็นของใหญ่เรื่องการรักษาศีลจึงเป็นเรื่องใหญ่ซึงมีเรื่องประกอบเยอะแยะที่ว่านายคนเดินก็มีลูกสาวสวยลูกคนเดียวและแก่จน คนสวยถึงจนประราชามาแตกระตองการตัวพระราชาโอรสก็ประจิตต่อว่าลูกของท่านให้ไปอยู่ในวังกับข้าพเจ้าอันนี้เป็นคนมีอำนาจในแผ่นดินทีนี้เจ้าพ่อว่าขอเดชะพระองค์ท่านอย่าเพิ่งจะไปไต่าถามพระพุทธเจ้าก่อนว่ามีลูกสาวจะให้แต่งงานกับใคร ชายรูปหลอ่อชายเป็นเศรษฐีชายเป็นกษัตริย์ชายเป็นพี่ผู้มีอิทธิพลคือชายหลายคนมาถูกขอแต่นายคนนี้แกไม่ให้ใครแกว่าลูกสาวทัวคนเดียวนี่ต้องถามพระพุทธเจ้าจะให้ใครกันแน่ก็ไปในวัดก็ถามว่าข้าพเจ้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเราขัดขัดค้องคล้องหยากหยกักจนจนแต่มีคนมาถูกขอพระราชโอรส ของพระราชาแล้วก็ลูกของเศรษฐีชายรูปหล่อแล้วก็คนมีอิทธิพลเนี่มาต้องการกันมากลูกสาวคนนี้จะให้ใครให้พระองค์สนตัดสินเถอะพระเจ้าอ่ะนทานพราหมณ์ให้กับคนมีศิทนเิเถอะถึงจะยากจนอยังไงคนมีศิทก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้จะไม่มีความเดือดร้อนว่าบางคนรวยแต่ผัวไปอยู่ในในเรือนจำเมยียก็ต้องอยู่บ้านคนเดียว เพราะมีคดีเรืยแหละพวกเรไม่มีนี่นพระเจ้าท่านอธิบายไว้หลายเรื่องว่าลูกทุกคนนี่พ่อแม่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พอพ่อแม่เหมือนกัเบเมาล่อที่สวยหามจะได้ลูกดีพอได้ลูกดีก็จะหลานดีจะเรียกว่าทําดีไว้ลูกทําถูกไว้หลานแต่พ่อดีแม่ดีมีศีลมันจะถึงลูกลูกก็มีก็กลัวจึงหลานเหลนหลุนตั้งส ก, กุลแหละจะดีหมดพระเจ้าสอนไว้ นายคนนี้แกเชื่อวเจ้า ก, ก็กลับมาพอดีชายยากจนก็ไปจิตต่อแกก็ว่าจิตต่อไม่ต้องเอาขันโกขกันมากเนาะเรามอบไปเลยเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ไอชายคนจนก็ได้ลูกสาวแกปล่อยเลยนะเอาไปอยู่ในบ้านของผู้ชายแล้วก็ชายคนนี้แกไม่ถินเปน็นยังไงกูไม่แกทำมานเด็ดขาดเลยทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทำมาหากินบริสุทธิ์ ถึงทำารทำนาก็ไม่ข้าสัตว์ถึงอยู่ยังไงก็ไม่รักของใครกินถึงจนเนี่ยแหละไม่รักไม่ขโมยแล้วก็ลูกผัวตัวเมียก็ไม่ยุ่งกับใครผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ปากที่จะพูดจาปราสัยเนเป็นปากที่มีสัจจะไม่พูดเท็จไม่พูดโจษไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมีลูกมีห ล, ลานแกก็สอนลูกลูกก็เออย่างพ่อแม่กลายเป็นตระกูลของผู้ดีมีชี้เห็นว่า อะไรอะไรต้องควังพระพุทธเจ้าอย่าไปควังใครโลกนี้ไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าไปได้ถึงใครจะดีก็ดีเถอะแต่ไม่มีใครดีเหนือพระพุทธเจ้าไปมีอะไรถึงไม่พระพเจ้าไม่มีชีวิตก็ไปถามคำปรีตราชนาบ้างสิพระูตรหรือพระวินัยที่พระพเจ้าตรัสไว้นี่ที่นักบัณฑิตนักปราชญ์ก็ร้อยกรองไว้นี่ลองไปอ่านจะทานทั้งหลายถ้าอ่านแล้วจะไปพบ ข่มทัพอันประเสริฐคือปรณนาเรื่องศีลเป็นส่วนใหญ่และศีลคถาเป็นของดีที่มนุษย์เรา ร, รักความสุขรักความเจริญอย่าละเลยคำสอนพระพุทธเจ้าถึงในหลวงเราก็สอนดีที่ว่าพอเพียงดีแต่พระเจ้าดีกว่าในหลวงยังครองบ้านครองเมืองแต่พระพุทธเจ้าเนิอละราชย์สมบัติอันยิ่งใหญ่และเป็นคนดีของโลก อะไรที่พระเจ้าเปร ing ไว้ว่าดีต้องดีแต่ในหลวงของเราเป็นพระราชาดีแต่ท่านยังของว้านของเรือนก็แม้พระราชาเดี๋ยวนี้แหละสมมุติว่าเนนบวชวันเดียวในพระราชาพระเป็นต้องไหว้เนนต้องไหว้พระพระเรื่องเนรนี่ท่านรงศีลจงทำนี่บ่ถือต่อจากหรวพุอที่เจ้าเยพระราชาท่านทุ ก, การาบต้องไหว้ใครไม่ไหว้พระไม่ไหว้เนรไม่ไห ว, วคน พระสงฆ์ชงศีนก็บาปเหมือนกันเพราะว่าพระสงฆ์สองศีนนี่ตั้งไว้เพื่อเป็นผู้ที่ตั้งแห่งการบูชาของคนพระสงฆ์เป็นผู้แทนพระพุเทธเจ้าเราต้องไหว้พระไหวเด่นไหวคนมีศีลมีธรรมคนจงจนแต่เราไม่ได้ไหวคนจนเราไหวคนศีลที่มีคุณธรรมเท่านั้นเองจัตทราทุจนคนดีทั้งหลายที่ท่านมี กรณีพิเศษนิมน์ให้มาแสดงธรรมนี่เราจัดสนองความความดีของท่านด้วยการกล่าวปารณนาเรื่องศีลปรณนาเรื่องความดีที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกหยิบยกมาให้ท่านทั้งหลายได้กวางยังมีเรื่องหลายเรื่องเก็บกับศีล น, นี่แหละคนที่มีศีล น, นี่มีสัตว์มีธรรมนี่ไม่เคยพูดเท็จไม่เคยด่าคน ไม่เคยต่อเทียตยยแยงตระแคงแย่เคยทะเลาะกันไม่เคยพูดเพอเจออยู่ในศีลในธรรมที่ดีคนมีศีลเป็นคนเต็มเป็นคนบริบูรณ์คนไม่มีศีลคนไรศีลคนทุศีล น, นี่คนไรศีลทุศีลเกิดมาเพื่อทำลายบ้านเมืองเป็นคนรกโลกคำว่ารกโลกในถ้าป่ามันรกก็ถากถางได้ แต่คนโรคโลกจะไม่มีศีลร้รายศีลมันทําร้ายประชาชนเราอยู่ดีๆเของมาปล้นมาแย่งมาชิงไปนี่ท่านลองคิดดูว่าใครเป็นคนทํามั่นเมืองนี้หรือที่ไหนเดือดร้อนเพราะคนผ่านคนร้ายศีลถ้าเมืองไทยรองมีศีลกันหมดนี่โยมไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องปิดประตูให้แน่นหนาเท่าไรหรอกแล้วไม่ต้อง เ, าเราวาดตะแหวนว่าใครจะมาปล้นมาจี้เหลยไปในทางไหนทางเปรี่ยวทางไหนก็ทามีศีล ก็อบอุ่ไปหมดเดี๋ยวนี้ที่คนว้าเวยกำลังสะทกระทานหวาดวันพลันเปลึงอยู่นี่กลัวอย่างนั่นกลัวอย่างนี้เพราะคนผ่านเต็มบ้านเต็มเมืองที่ในเมืองหลวงคนผ่านก็แทกแทงกับใบอวกาข้าหงหงคอยโอกาสกับหญิงที่ถือกระเป๋าก็ได้ก็จกป็จวยหรือก็จุดลากเธอไปไปกลมเกินไม่ให้มันกฆ่าเสียตาย มีคดีวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ามีแต่เรื่องยุ่งกวนกับคนร้กษาศีนี่แหละจะนั่นรงมาร น, นรงค์ให้คนทั้งหลายพอรับได้รักษาศีนจะไม่ต้องมากห้าข้อเลยอย่าว่ารักษาศีนจะเป็นคนลาสมัยรักษาศีนเป็นคนเหนือสมัยโยมเป็นธรรมมาพิษสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่ทวดในโลกนี้พระเจ้าสัตไว้เราได้ดีเป็นพระุทธเจ้าก็มาจากศีน เพราะศีนนี่ท่านยันนกว่าเป็นของเป็นของต่ำศีนนี่ก็คือปัญญาคนที่รักษาศีนได้อะไรไมารักษาก็ต้องเอาปัญญามารักษาปัญญากับศีนนี่มันเกี่ยวข้องกันที่ไหนมีศีนตรงนั้นมีปัญญาเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยตรงไหนมีมือขวามือมือช้ายเกี่ยวเกี่ยวข้องกันด้วยมือขวามันคันเอามือท้ายไปเกาแล้วก็เดินไปเหยียบโคนตมนี่ เวลาจะล้างเท้าเนี่ยไม่ต้องเอามือไปขัดสีโเอาจีนมันขัดกะเองก็ได้เอาจีนขวาไปกระยี่ตีนซ้ายเอาจีนซ้ายมากระ ย, ะยี่จีนขวาน้ํากระดรสลงไยใกล้เป็นคนตีนสะอาดฉันใดเคีย น, นี้ไปทําให้ปัญญาดีขึ้นปัญญานี้ทําให้ศีดีขึ้นของอย่างนี้เป็นของยิ่งใหญ่ในโลกถึงตําอื่นไม่ได้ขอทำสองสองอย่างเท่านี้เองดังที่ว่าอาทีสีหลัง ที่ละเมวอิทะอักังปัญญาวาปนาอุตตโมมนุษย์สุจเดเวสุที่ละปัญญานณโตจะยังแปลว่าศียเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้วังอดียมศียเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ชวนปัญญาเป็นสูงสุดความชะนะในหมู่มนุษย์เลยเทวดาที่จะเลาะ ก, กันนี้จะชนะกันด้วยศียลและปัญญา ในกลุ่มของพวกเทวดาเขาก็มีปัญหากันเขาต้องรบกันกับพวกอาศูนพวกอาศูนถือการทําลายเดินหน้าพวกเทวดาถือธงใจของพระนัน้นเดินเดินทัพถือถี่นกับปัญญาเวลาเข้ารนในรองรัประหารกันอาศูนต์แพ้ทุกทีอาศูนคือคนชั่วไม่เคยชนะคนดีคนดีมีศี่นกับมีปัญญานี่ชนะรวบไปเลย ชัยชนะจริงชัยชัยกันจะเป็นคดีอะไรขอให้มีศียนกับปัญญาเท่านั้นจะช น, นะทุกอย่างในโลกนี้กิเลสตัวร้ายกาจอยู่ในใจคนจะต้องถูกทําลายด้วยศีลและปัญญาเพราะปัญญาเป็นอาวุธอันกลมกลด อ, อย่างที่ว่าโยเทธมารังปัญญวุตถินะท่านทั้งหลายจงฆ่ากิเลสด้วยปัญญาจงทําลายกิเลสด้วยปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาข่ากิเลสไม่ได้ดีไม่ดีสั่งสมนกิเลสใจตัวเองเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นอาวุธสําคัญที่จะต้องประหารกิเลสทั้งหลายได้คนได้ดีเพราะเฉลิมและปัญญาคนได้ชั่วเพราะขาดเฉลและปัญญาเอกขาถาว่าฆาตุธรรมฤุจีราชาแปลว่าพระราชาดีที่มีทัศพิธเจตธร ร, รมฆาตุปัญญานวานารโร คนดีที่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็จงกันกล่าว่าคือชั่วโจดเขา่เาจะเเล่าคนมีปัญญาต้องดีรอบตัวเมื่อดีรอบตัวชั่วไม่มีก็เป็นคนดีก็มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นคนดีไม่ได้โยมที่นั่งอยู่นี่นี่ทำไมอยู่ได้การงานดีจะกินอยู่ตรงตรเพราะโยมมีปัญญาจะรู้ตัวไม่รู้ต้องเอาหลักพฤติกรรมปัจจุบันมาตัดถินว่า ทำไมแกทรามานไม่มีบกพร่องไม่มีมลทินไม่มีเรื่องร้ายถ้าเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็อยู่ไม่ได้มียันเป็นไปเมื่อถูกอภัยศีลอยไม่ไ่ากับตัวเองร่ายตัวเอ ง, ตเองแต่เพราะคนดีมีปัญญาจึงทรงศีลทรงธรรมไว้ได้จึงอยู่อย่างคนบริสุทธิ์สมบูรณ์ไม่มีความด่างพร้อยไม่มีมลทินไม่มีใครครองร้องได้ถ้าครองร้อง มากันแกล้งก็ยังต้องแพ้เราอย่างวันคำ่ำขอให้เราดีสิอย่างไอ้มีปัญญาจึงว่าคนดีที่มีปัญญามิตรดีที่ไม่ประทุษจะร้ายมิตรมิตรดีใครละ่ะที่ไม่ประทุษจะร้ายเรามาตามิตังตะเกใครมานดาวิดาเป็นมิตรในตัวเรามารดาไม่เคยคิดร้ายลูกหลานของตัวเอง มีจต่รักอย่างเดียวมีแต่หวังดีอย่างเดียวให้ลูกเราเรียนดีให้ลูกเราแปรพฤติดีให้ลูกเราอย่าลาบากยากจนให้ลูกเราพ้นจากทุกขพ่อแม่ทุกคนต้องภาวนาในใจว่าให้ลูกเราได้ดีให้ได้เพราะว่าท่านเป็นมิตรให้กับเราแต่แม่หรือพ่ อ, อยังฆ่าลูกเพามันจําเป็นบางคนนี่ทาผิดพลาดต้องเอาเด็กไปจิ้งในกองกระยาไปจิ้งตามโน่นตามนี่นี่มันจําเป็นมากแต่ว่า ในใจยังรักอยู่แต่ต้องฆ่าไว้ไม่ได้มันอายผู้อายคนอย่างนี้แหละแต่มารดาตัวจริงเนี่ยอย่างพวกเรารักลูกทุกคนมารดาไม่เคยประทุษร้ายลูกจะตีสักหน่อยก็ลูบลูบคลำคลำไปนอกจากมืออบอุน่นจับลูกมาอุ้มมากอดมาจมพิษอะไรก็เขาทํากันเนี่ยเพราะมือของมารดาอบอุน่นไม่ใช่มือเพชรขาดจะตีลูกไปเป็นในตาย ตั้งตีบ้างเพื่อนัดดัดนิยให้เป็นคนดีเท่านั้นเองความรักไหนที่เหลือล้นสุดคนนานาเล่าความรักของพ่อแม่กับลูกนี่พ่อแม่จึงเป็นเมตตรดีในตัวของลูกแต่ลูกจะรู้วุค่คกวนพ่อแม่ในเรื่องเดิมพอลูกก็มีสามจําพวกอ่ะลูกที่เลิศ ก, กว่าพ่อแม่ก็มีลู ก, กเสมอด้วยพ่อแม่ก็มีลูกจะเลวกว่าพ่อแม่ก็มีให้สังเกตนะลูกจะดีกว่าเราก็ เ, าเรียนดีกว่าเรานิจไหดีกว่าเรา มีกิริยามารยาทเอาเอก เ, เอาใจพ่อแม่เขาก็มีโลกนี้พอเสมอพ่อแม่พ่อแม่ดีแค่ไหนกกดีแค่นั้นเดี๋ยวว่าอภิชาติจะบทบรชั้นผู้ดีคำว่าบทญาะนึกายน่ะบุตรหญิงบุตรชายบุตรตาบทกรีเราทุกคนมีลูกลูกบางคนเราได้พึ่งแก่มีนิสัยดีเรียนดีแล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ลูกบางคน เหมือนเหมือนกับเราเท่ากันไม่ถูกกว่าเราไม่ตากว่าเราลูกบางคนเอาวิชาตบดเลวกว่าเราพ่อแม่มีสินตำแต่ลูกนี้ไม่มีสินตำลูกนี้ดือด้อดึงด้วยดันตัวรังด้วยถ้าดือ้อดึงดันตัวรังกับพ่อแม่ก็จะได้ไปอยู่กุกกุกตารางและจะบ่นว่าเพราะพ่อแม่ไม่สอนไม่ได้พ่อแม่วังดีแล้วแต่เธอไม่ยับทำตามกลายเป็นลูกเลวไป ถ้าไม่มีจริงพระเจ้าไม่ตรัสว่ า, วาลูกเลวกว่าพ่อแม่ลูกเสมอด้วยพ่อแม่ลูกดีกว่าพ่อแม่แล้วพวกเราจะเอาลูกไหนกันละ่ะจะเอาลูกดีต้องสอนต้องแนะนํามาอยู่ในศีลในธรรมต้องให้เพมืมีกิริยามารยาทที่ดีว่าเรานี่คนทุกคนนี่ถึงที่สุดของพ่ชีวิตคือแก่พอแก่หางการทําไม่ได้ก็ต้องพึ่งลูกเรียกว่าปลูกพืชหวังผลเลี้ยงคนหวังพึ่ง เราไม่พึ่งลูกยามแก่เลยจะพึ่งใครและลูกเราเหมือนกันถ้าพ่อแม่แก่แล้วไม่ไม่เลี้ยงดูก็ผิดผิดวิัยของลูกที่ดีบางคนก็ไปไหว้ที่บางแคเนาะก็ถึงเขาอนุญาตอยู่ได้จริงจริ ง, รงเรามีพ่อแม่เราไม่อย่างไกลตัวเองเราต้องไหว้กับตัวต้องไหว้เพื่อเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่สบายพปะน้ำเพราะว่าท่านมีบุญคุณกับเราบุญคุณก็คือกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องนิวิตหมายของคนดีปราบใดคนยังรู้วุญนคุณคนเนี่ยเมือง น, นี้ยังหาคนดีได้ปราบใดคนไม่รู้วุญนคุณพ่อแม่เป็นเนระคนเรื่องอากาศัญยูเนี่ยเมือง น, นี้จะเป็นเมืองของคนชั่วเป็นเมืองของคนเลวบานนี้เมือง น, นี้ที่อยู่ได้ดีเพราะคนรู้คุณของผู้มีคุณที่พระเจ้าสอนไว้เราทั้งหลายไม่ใช่คนอากาศันยูเป็นคนที่มีกััญูกัตเวทีต่อแผ่นดิน กตัญญูต่อกตเวทีต่อพระราชาหมากริสัดกตัญญูกตเวทีต่อาคุณประรัฐนนั่นใจคือประพุทธประสมที่เราดำรงชีวิตมาได้นี้แต่ชีวิตได้ดีท่านอย่าเนื ก, กว่าพอแล้วนะความดีหยุดไม่ได้ถึงเราแก่ต้องทำเพราะความดีรอคนดีใจถึงจุดฉุดยอดมีอยู่แต่ถือว่าแค่นี้พอกันทีไม่ได้มันไม่คุ้มกับชีวิตเกิดมาเป็นคนนยาก ชาตินี้เราได้เป็นคนในชาติต่อไปไม่แน่นะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัตว์ดีเดชานก็ได้จะตกตามก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำรงชีวิตเราไว้ดีก็ต้องเอาศีลมาเป็นพื้นฐานเอาปัญญาความรู้จริงเอาปัญญารู้ชีวิตว่าคืออะไรชีวิตที่จริงไม่ใช่ของเราโยมลูกก็ไม่ใช่ของเราสามีภรรยาไม่ใช่ของเราจักรวาลก็ไม่ใช่ของเร า, ร, เ ร, าร่างกายทัุกอังคาประยบเนี่ไม่ใช่ของเรา ทับจอมบัดพัฒสถานได้อยู่ในบ้านในเรือนมากมายไม่ใช่ของเราที่ดินไม่ใช่ของเราบ้านเรือนไม่ใช่ของเราและอะไรเป็นของเราบ้างอ่ะมีอยู่คือกรรมกรรมดีเป็นของเราแน่นอนแต่ทับจมบัติเราตายไปเอือนสักเนตก็ไม่ติดตัวไปแต่กรรมติดแน่นอนกรรมชั่วที่เราทำก็ต้องตามไปโนตามตัวมันต้องบอนทําลายเราร่ําไปกรรมดีที่เราตูปทำแล้วนี่เป็นที่พึ่ง อาจได้บึ่งที่อาศัยของตัวเองในทางที่ดีให้เรามาชวนกันทํากัลยาณกรรมกัลยาณกรรมแปลว่างามกรรมงามกรรมสวยกรรมดีคือศีลเท่านั้นเองเป็นกรรมอันสูงสุดที่พระเจ้าตรัสไว้เราท่านทั้งหลายที่ประชุมกันเป็นกรณีพิเศษเจตมานกันทุกวันทุกคืนเป็นเดือนเป็นปีแล้วให้พระสงฆ์องค์เจ้ามาสแสดงธรรมเราได้สแสดงแล้วคุณค่าของศีล เพื่อให้โยมตอบสนองในคำพูดนี้ว่าไม่เชื่อพระจะไปเชื่อใครไม่ทําตามพระจะไปทําตามใครพระไม่ใช่ปันผีหลอกลวงชาวประชาชนที่จะหวังรายได้ก็จะหารายได้จากประชาชนไม่ได้รายได้ของพระก็คือให้คนเข้าสู่ศาสนามากๆเท่านั้นเองไม่ใช่ได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็เป็นที่พอใจต้องเอาคนเข้าสู่ศาสนาเช่นพระพุทธเจ้านี่ ท่านปร่ำทุกอย่างได้ดีแล้วไม่มีอะไรต้องการให้เป็นคนไอ้คนทั้งโลกเป็นคนดีได้ถ้ายังไม่ดีท่านสอนท่านแนะท่านนําเขามาหาเราเราก็สอนเขาไม่มาเราไปหาเขาคือเป็นการรณรงค์พระสงฆ์องค์เจ้าในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงไปเผยแผ่พ ร, ระธรรมคาสอนของพระองค์ในทิศต่างๆเผยแผ่คือเปิดเผยว่าเทนเป็นของดีควรที่คนทั้งหลายใส่ใจ เมื่อใจใจเขาก็ได้ดีเมื่อเขาได้ดีเราก็ไม่ต้องทวงบุญคนว่าคนได้ดีเพราะเราไม่ต้องการต้องการในคนได้ดีให้หมดเลยคนได้ดีทางไหนล่ะไม่มีเกินศีลไปได้โยมถึงโยมได้ดีมีทรัพย์สมบัติอลังการใหญ่โตแต่แตะกุนไร้ีลเนี่ยไม่ใช่ดีมันได้ดีแต่เปลือกๆต้องได้ดีเป็นแกนเป็นสาระประีนเป็นศีลสาระเป็นมั่นคงของชีวิตศีลป้องกันไม่ตกนรก เถียนป้องกันแม่ตกระกรรมลำบากเถียนป้องกันแม่เป็นคนอนาถาเถียนป้องกันให้เป็นคนมีบุญญ า, าธวาสนามีบุญมีบารมีเถียนทาคนในรูปสวยรวยทรัพย์นับวิจารมารยาทชาติผู้ดีมีเถีธรรำจุดท้ายนี้ขออ้าง อ, อกุลพระศรีรัตนตรัยอันเป็นหมันเตจ่าอนุภาพบันยิ่งใหญ่จงมาบันดลบดดาในท่านทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจสมาทานศียนตั้งใจกวางธรรม วังแล้วเข้าใจขอบุญญาธิการที่ท่านได้สังสม น, น, นี้จงเป็นปัจจัยนําตัวท่านไปถูกความถุกความเจริญสมบูรณ์ปูนถูกด้วยจะถูกพิจารณ์ชัยอายุวันณนะสุขปะปละปรารถนาจริงใดันดเป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นบังเกิดขึ้นแก่ท่านบุญกุศลอันใดที่ท่านําแล้วขอทรงถึงพระราชาหมหากระตุกทุกพระองคโดยเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระพุทธมีผลดีเด็ดนัฎเดเบทที่คนนี้ให้ท่านได้รับไออุนจากบุญกุลจากพวกเราเราทําบุญเลี้ยงพระนั่นอย่างหนึ่งแต่ทําบุญเลี้ยงธรรมะเป็นโอชากองหัวใจเป็นบุญได้เร็วบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารต้องกินต้องย่อยแล้วก็ต้องย่อถาสปีแต่บุญทําความดีนี่นึกในใจว่าได้ทําบุญทริปประการ หนึ่งบุญประรักษาศีลสองบุญประการกวางธรรมสามบุญประการเขารบนอบนอบองพระบรมศาสดาหรือพระธรรมและพระสงนี้เป็นบุญในหัวใจบุญนี้ถึงได้เร็วเมื่ออุทิศจงค่อไม่ต้องหลังน้าซักเทนโอท็อกไม่ต้องตรวจน้ำก็ได้ไม่ต้องชา ย, ยันโตก็ได้เป็นบุญที่นึกครั้งไหนที่ได้ดีจากเราเราขอเอาบุญนี้ให้ แก่พระองค์ท่านแก่ผู้ที่อยู่ข้างหน้าข้างหลัขงข้างสายข้าายข้างขวาข้างบนก็ล่างในน้าบนบกกลางอากาศวิญญาณทั้งหลายที่ท่องไปท่องเที่ยวไปในในพบต่างๆวิญญาณปีสาหนังไม้เปรตอ ร, ธรธุณกัยมารปรมเหลียงรักใดๆที่มีแล้วในโลกนี้เห็นด้วยตามาเด็นด้วยตาอยู่ใกล้หรือไกลกอบนกุศลนั้นที่ท่านทําแล้วให้ถึงจึงสัดทั้งหลายทั่วล่าแสดงน้ําใจท่านกว้างขวางในการ แผ่ตวนบุญไปให้สัตว์และบุคคลทั่วไปบุญนั้นไม่ใช่ว่าได้คนนั้นแล้วท่านเองและเป็นตัวได้เพราะท่านทำดีก็ต้องได้ดีขอความดีที่ท่านทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยนำส่งให้ท่านสุกรมบณ์ด้วยอายุอวินาทุกขบพละปาฏิพ า, านดานาสารสมบัติปิพัฒนะมงคลมนญญนญยอพ้นอันใดอั น, อนเป็นที่พึงใจ ขอถึงนั้นจงปันทํามิเก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนานรับรทานวิจารนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะจนีมุติตาจิตแปดิบเก้าฟีอ่าน้ะไอป่าวนานะโมตัสสะทะควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธเจา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาราะโตสมมาสมปุตตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหาราะโตสมมาสมปุตต ะ, ะให้ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจเข้ามานะครับมหาธีรปมาเดนะ ทวารตะเยนตะตังสับพังอปราทังธรรมธมิพันเตมหะเทเรปมาเดนะทวารตะเยนตะตังสับพังอปราทังธมทุโนพันเตมหะเทเรปมาเดนะ ทวารตะเยนะกะัตั ง, งัพพังอปาราทังธมถุโนพันเตอะังลังอังามิตมเรหิบิเมะมิตบังโดยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่ต่านไปเพื่อก่อนน้อมถ่อมตอนประกององงกเจ้า เป็นบุญกิยาวัตถุในข้อว่าอปาเจนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอดน้อมท่อมตนแก่ผู้อื่นไม่จะนองตนํำกัญว่าเลิศกว่าเขาจึงให้ความกราบขอขมาโทษที่จริงโทษระว่างเราทั้งสองไม่มีกันแต่ตามทมเดียมบัณฑิตนักปราชญ์เขาให้มีตำกันอย่างนี้เพื่อเป็นบนเพื่อเป็นตันติตัวอย่างของคนต่อไปว่า ผู้ดีต้องมีการขอขมาโทษต้องกล่าวคำว่าปิดพลาดประการใดพวกข้าพเจ้าล่วงเกินท่านโดยรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามต่อหน้าก็ตามรับหลังก็ตามถ้ารมใดที่ไม่ดีข้าพเจ้าขออไัยจากท่านเมื่อท่านมาอดน้อมถ่อมตัวขอโทษนี้ข้าพเจ้าก็ขายให้อภัยแก่ท่านเราทั้งสองจะไม่เป็นเวรเป็นเป็นภัยกันทุกชาติทุกภพ เราจะเป็นมิตรไมตรีเป็นความดีซึ่งกันมาผนึกเป็นมนุษย์สัมพันธ์สร้างความเจริญในชาติศาสนาประมาคฉั์เราไม่สร้างความวิัติแต่สร้างสมบัติสมบัติมนุษย์ที่ดีก็คือการขอขมาโทษกันทำ า, าประสานงานกันลงเกลียวเดียวเป็นเอเป็นเอกีภาวะเป็นหนึ่งร้อยคนปันคนมาเป็นอันเดียวในการทำางานด้านชาทำนี้จงเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้เจ็บภา้ได้ป่วยให้เป็นคนมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อย่ามีทุกข์โรกโรคภัยใดๆให้มีความปรันทีสุขตั้งกลางเกินทั้งกลางวันอย่าไม่ได้วิตกเดือดร้อนเดินเลยให้มีแต่ความถูกสบายชั่วกาและนานเธอ